อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันเสาร์นีน้ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเชา้าเราก็จะเปิดรายการของสถานีซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่ทีห้าถึง 24่สนาฬกาของทุกๆวันด้วยรายการธรรมรับอรุณนะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการอยู่แล้วก็ตื่นมารับฟังทุกวันก็คงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับพรได้รับสิ่งที่เป็นมงคลในทุกๆเช้าที่ทางสถานีของเราเปิดสถานีแล้วก็เริ่มรายการในสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเชาน้ชา ว, วันเสาร์กลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วล่ะค่ะ วันเสารที่บดกุมภาพันธ์2555น้าอห้าสิบห้าะคะวันนี้เป็นวันแรม11บอดค่ำเดือนสามค่ะถ้าปีนี้ก็คงต้องบอกว่าปีมะโรงถ้าหากว่าเรานับตาม เ, าเรียกว่าปฏิทินสากลนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมหรือสากัชชากับพระอาจารย์ภัยบูรย์อภิปุโ น, โน ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหรือว่าการปรกเกณนปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธวจนะของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนไหโศกอาเภอห น, นองหารจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยค่ ะ, ะพระอาจารย์ภับุญอภิปุนโนนั้นท่านเป็นองค์พาตุกประจํารายการธารบบรมราปุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะกีบัติบุฟังคุ้นเคยกับท่านดีค่ะ ก็มาพบกันในชาวันเสาร์นี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้มัสมัชการาพระอาจารย์ภับูรณอภิปุนโนกันพร้อมกันเลยนะคะกราบน้มัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพร สาทวดเจ้าค่ะในเช้าวันเสาร์กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเจ้าค่ะยมอยากจะขอหยิบยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาพูดคุยสนทนาหรือว่าสารัชากับพระอาจารย์เจ้าค่ะเราเพิ่งจะผ่านพ้นวันที่ทางโลกตะวันตกเขาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักหรือวันบอลินทายมานะเจ้าคะที น, นี้ก็หลายๆคนก็อาจจะพูดว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักการส่งความรักกันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวเท่านั้นแหละ แต่ว่าให้แผ่ไปถึงคนอยู่รอบตัวครอบครัวหรือแม้แต่ความรักอันบริสุทธิ์ใจระหว่างมนุษยชาติด้วยกันนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เจ้าคะ่ะยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะมีความวิตกกังวลห่วงใย ในสภาพความที่ว่าในคนในสังคมเนี่ยถ้าพูด ต, งตรงๆเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียกร้องถึงเรื่องของความปรองดองนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าก็ยังเกิดเรื่องของความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ดีเราก็จะเห็นตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่าดูหรือฟังจากข่าววิทยุโทรทัศน์ทุกวันเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความที่ขัดแย้งกันหรือว่ามีความเห็นไม่ตรงกันซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยเจ้าค่ะก็ยังยึดถือสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นอยู่ อ, อันนี้ยมอยากจะขอหยิบยกประเด็ น, น มาให้พระอาจารย์ไพบรณพิปุโนโดได้เมตตาที่จะสาคชาหรือสนทนาอลองแตกประเด็นให้ฟังะเจ้าค่ะว่าทำอย่างไรบุคคลเหล่านี้ซึ่งก็เป็นพี่น้องไทยด้วยกันเนียเจ้าค่ะจะละสิ่งเหล่านี้ได้เจ้าค่ะคื อ, อความที่มีอคติต่อกันหรืออาจจะว่ามีทิฏฐิหรือว่ายึดมั่นในสิ่งที่ตัวเอง เชื่อถืออยู่โดยที่ไม่ยอมผ่อนปลนลงให้บรรยากาศ ม, มันดีขึ้นเจ้าค่ะนิมมอนเจ้าค่ะมันเป็นลําดับขั้นตอนนี้คุณเตือนใจเจ้าค่ะพระเจ้าเวลาที่แบ่งคือพระองค์ เ, เวลาจะวิเคราะห์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะ่าาอย่างตอนที่เป็นสมาชิกพระเจ้าอยู่เนี้ยเจ้าค่ะแล้อย่างตอนที่เป็นผู้บริษัทอยู่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยเอ๊ะทำไงถึงจะ บ, บรรลุก็เลยแบ่งแบ่งไอความคิดอะไรต่างในโลกเนี่เอาแบ่งออกเป็นสองส่วนเอาง่ายๆที่สุดเจะส่วนเราแบ่งเป็นส่วนที่ไม่ดีกับส่วนที่ดี ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็ก็แบ่งไป็นสอง่วนนี้แล้วค่อยวิเคราะห์ปัญหาส่วนไม่ดีมีอะไรแบ่งเป็นไปส่วนดีมีอะไรแบ่งไปเข้าไวคิดจึงวิเคราะห์หาหนทางก็เรียกว่าเหตุของความทุกข์แล้วก็ทางดับไม่เหลือของทุกข์แต่ถ้าแบ่งเป็น2ส่วนทีนี้เรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยนะส่วนที่จะมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เป็นอกุศลทั้งหมดนั่นคือการพยาบาติเบียดเบี้ยงคือคนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยนะเขาจะไม่มีปัญหากับใคร ใช่ไหมคุณเห็นต่างได้ไม่เป็นปัญหาคุณชอบรถคันนี้ใช่ไหมคุณชอบรถสีนะัก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไห ม, ไหมแล้วก็คืออยู่ในส่วนที่เป็นกุศลธรรมแต่ถ้าเรามีการปฏาบาติเปลียนเบียนสามอย่างเนี่จะเริ่มมีปัญหาละปัญหาคือคนจะด่า ก, กันว่ากันทะเลาะ ก, กันนะพูดส่อเสียดกันแนะการปฏิบาติเปลียนเบียนเนี่ยเป็นมิจฉาสังกับปะเป็นมิจฉาสังกับปะคือความด â บริที่ผิดความด âm รีที่ไม่ถูกต้องคือคิดไม่ถูกอ่ะทีนี้มีเรื่องตัวอย่างที่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างในสมัยพุทธกา แต่ว่ามีอาวาดอาวาดหนึ่งมีวัดวัดหนึ่งว่ากั้นเถอะนะพระอยู่กันเนี่ยถ้าบอกว่าพระที่นั้นเนี่ยนะปรองดองสามคีกันอย่างดีเข้ากันได้อย่างกันน้ำนมกับน้ําคือเราเทน้ํานมผสมกับน้ําเนี่ยมันจะปนกันเป๊ะเลยจะกลืนกันได้จ้าค่ะมันไม่เหมือนกับน้ํานมกับน้ํากับน้ําน้ำไมันอ่ามันจะเข้ากันไม่ได้จ้าค่ะแต่ถ้าเราเทนมน้ํานมกับน้ําผสมกันเนี่ยมันจะเข้ากันได้ก็ลักษณะนั้นมองกันด้วยสายตาแห่งความรักใกล้กันอยู่ <Okay. S 2> นะคื อ, อไม่เพ่งเร็งไม่เพ่งร้ายไม่มุ่งโทษกันพระรูชาติบอกว่ามีความแน่ใจมากนะว่ า, าทุกคนในอาวาสนั้นเนี่ยจะห่างไกลาจากทํสามอย่างนี้คือกรรมปยาบาดเบียดเบียนะจะมีทําอีก3าอย่างหนึ่งนะนั่นคือการหลีกออกจากกรรมนะความไม่มุ่ง ร, ร้ายแล้วก็ความไม่เบียดเบียนแะต่ก็คื อ, อความที่หลีกออกจากกา ร, รมคือตรงข้ามกั น, น <Okay. S 2> นะทั้งนั้นเถิะทํสามอย่างที่ชั่วๆเนี่ยไม่ให้เกิดนะทํสามอย่างที่ดีๆให้มันเกิดขึ้น ทีนี้ที่เรามาีปัญหา ย, ยในประเทศนะให้เราเนี่ยนะคุณเตือนใจแบ่งกลุ่มนั่งแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือพวกนี้แหละเอาเราพูดถึงง่ายๆเอาการและการเนี่ยกับความปรารถนาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนะคือคือมันมันเกี่ยวเนื่องกันในสมมติเราดูหนังดู TV, ทวีวีที่บวอหวามากๆอย่เงี้ยโอ้มีอะไรที่เป็นแบบบ๊อบบแวมแอลังช่างอะไรมากเนี่ยฉิตเราจะน้อมไปในทางกาม <Luther> <bright. S 1> พอจิตเราน้องไปในอาการเนี่ยมันจะยึดถือมากมันจะเหนียวมันเหมือนยางยืดเะจนตจวใจกาวเหนียวๆเนี่ยพรอกาวเหนียวๆมันโดนการตาหูชั้นโบกนี่ายใช่ไหมพอไปโดนอย่างอื่นมันก็ติดไปด้วยคือเหมือนว่ากะจิตเราเนี่ยมันมีกาวเหนียวนี้อยู่แล้วมันไปโดนอะไรมันติดหมดเหมือนมีแนวโน้มอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าคะพระเชบอกว่าจิตเนี่ยเมื่อตรึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นสมมติคนที่เอมีอิมเปียกชุ่มด้วยกาม จิตมันเหนียวมันไปโดนอะไรมันยึดหมดค่ะความเห็นอย่างนี้เขาจะยึดแน่นเลยเจ็ดมงก็ต้องเจ็ดมงนะเจ็ดโมงหนึ่งนาที่ไม่ได้มันก็จะด่ากันว่ากันล่ะในขณะที่คนที่อ่ามีความรักความไม่ตายอย่างเงี้ยนะเจ็ดโมงหนึ่งที่ก็ไม่เป็นไรก็ยังอ่อน้อมพอผ่านพ้นไปได้ไม่ด่าขนาดเรียกว่าอ่าเละด่าสาสิได้เสียอย่างเงี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเนี่ยเอาแค่ว่าเราดูในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสิบปีที่แล้ว โอ้โหมันเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเต็มที่กันมากขึ้นกว่าเมื่อสิปีที่แล้วเอาสายเดียวอะสาย<ะ>เดี่ยวเดี๋ยวนี้มากกันมากจริง จ, จริงกูเต่อนใจหรือว่านุ่งสั้นอย่างเงี้ยสั้นกันจริงๆงมันก็พผ้าพแพงมากมาเข้าใจรหรือบางทีสายเดียวนี่แนวตั้งนะเมื่อก่อนหรือแนวขวางอย่างเงี้ยก็มี <นะ S 2> ซึ่งทําให้จิตเราเนี่ยพอไปเห็นสิ่งพวกนี้มากเนี่ยจิตเราพ่ะพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะสาธีตครั้งหนึ่งว่าจิตเมื่อดํมรีถึงสิ่งใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น นะดําริถึงสิ่งใดๆมากคุณดําริถึงสิ่งใดๆมากอะในวันๆหนึ่งเอา้ า, อาคุณอยู่ในชุ่มอยู่ด้วยการปไป บ, บาิเบียดเบียนไหมเอาถึงแม้เรื่องตัวเรื่องมันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะแต่ถ้าจิตเรามีไอ้สามอย่างนี้นะมันไปโดนอะไรมันมีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างมันออกจากจิตนะปากจะขยับเนี่ยมือจะขยับเนี่ยก็เพราะจิตสั่งถ้าจิตคุณน้อมไปด้วยอาการของการไปร บ, บาดเบียดเบียนมันก็จะสั่งปากให้ขยับในเรื่องชั่วๆด่ากันว่ากัน นะสั่งมือขยับให้ในการที่จะผิดศีลกระทําที่ผิดศีลข้อ3ข้ออะไรต่างๆข้อหนึ่งด้ว ย, ยก็จะไม่ถูกเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราควรจะแทนที่จะแก้ตามเขาเรียกว่าแก้ที่ปลายเหตุอนะเช่น<ช>เอาคุณก็ออกกฎหมายใหม่สิคุณก็จับคนนีไ้ไปคขังสิคุณก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณไม่ได้แก้เรื่องกา ร, รพยาบาทเบียดเบียนย น, นะไม่มีทางอเจคุณไม่ได้แก้ที่รากของมันเอาคุณดับตรงนี้ไปได้สมมุติ ออกกฎหมายนี่มาอ้าวเลิกประชุมอไม่มีมอบแล้วไม่เกินหกเดือนกูเดินใ จ, จเอาดูที่ผ่านมาเป็นไงอยู่ที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่นะเดี๋ยวหกเดือนนี้มีอีกปีหน้าปีนี้เงียบไปปีหน้ามีอีกเอ๊ะมันจะจบกันเมื่อไหร่เนี่ยเราจัดงานเลี้ยงจัดทํานั่นทํานี่มันก็ไม่ได้แก้จีรากรา ก, กสาเหตรรุรากเงาของมันเค่ะอย่างย่าเนี่ยใคร หญ้าหญ้าแพรกหญ้าแฝกหญ้าอะไรเงี่ยนะที่เขาไปปลูกกันตามสนามหญ้าเนี่ยอย่างคนทํานาเงี้ยชาวนาเขาํานาเนี่ยเวลาเขาจะถอนหญ้าเนี่ยนะเขาจะต้องถอนมันทั้งรากรากของหญ้านะคุณเตือนใจเออ่ถ้าใครเป็นชาวนาหรือว่ามีความรู้ทางั้นการเกษตรอยากจะทราบดีดินของเราอยู่ธรรมดาเนี่ยนะเวลาเราขุดอํานื้อออกแล้วเนือมันโตขึ้นมาอีกอืมค่ะวัชพืชนี่นะวัชพืชไม่ว่าจะเป็นหญ้าตระกูลไหนก็แล้วแต่เนี่ ขอแค่มันมีรากอยู่แค่ประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือ1เซนติเมตรเนี่ยรากของมันเนี่ยนะมันโตอีกได้อืารากมันแค่นั้นเองนะอะ่เพราะฉะนั้นไอ้ไอไอเชื้อตรงเนี้ยครูชาบอกว่าพิษคืออวิชาทนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องมาเป็นพระอาหารหันต์อะไรน ะ, ะเราพูดถึงว่าคุณจะอยู่ในสังคมยังไงให้มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมจิตเราตรงนี้ยังไงไม่ให้ไปอยู่ในแดน ล, ลบถ้าเมื่อไหร่จิตคุณไปอยู่ในแดน ล, ลบคือมีการไปบาดเบรียนไม่ต้องพูดถึงชาติหรอกครอบครัวเราก็ไม่มีความสุข ไม่ต้องพูดถึงครอบครัวนะเอาคนนั่งข้างๆคุณเนี่ยเดี๋ยวก็ด่ากันว่ากันค่ะมันจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเราลึกลงไปกว่านั <them> <Okay. S 2> ้นเอาคนนั่งข้างๆใช่ัหมในจิตเราเองอะเราจะไม่เป็นสุขจิตเราเองเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านบ้าบมันจะวุ่นวายรุ่มร้อนอยู่ในใจเพราะจิตเพอจิตเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุนข้างๆจะไม่เป็นสุขคนข้างไม่สุขครอบครัวเราก็ไม่สุขครอบครัวเราไม่สุขประเทศชาติไม่มีความสุขแน่เพราะฉะนั้นมันขยายวงกล้างไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ในจิตของเรา มันมาจากจิตของเราแล้วที่ถ้าเราไม่แก้ปัญหาที่รากเงาที่จิตเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้นะคือออกกฎหมายออกอะไรมันก็ภายนอกในขณะเดียวกันแต่ถ้าคนที่มีพิสัยทัดเนี่ยเขาจะต้องดําเนินนโยบายทั้งสามทั้งระดับทุกระดับใน ร, ระดับปริวัติระดับดบงกว้างอันหนึ่งใช่ไหมในเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องของการศึกษาในาระดับที่ลึกลงมาอีกนในเรื่องของการใช้นโยบายอะไรต่างๆลึกลงไปอีกนะคุณต้องพูดถึงเรื่องจิตใจ เรื่องนโยบายเรื่องศีลธรรต่าง ๆ, ๆ, ๆคุณต้องช่วยดาเนินการอันมาดูง่ายๆคุณเตืนใจเอาอย่างเรื่องของคดีความในศาล<า>เราไม่ต้องพูดถึงปัญหาระดับโลกระดับชาติอย่างที่เขามีกันอยู่ตอนนี้เอาแค่คดีความในศาลแต่ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องการปฏิบัทเบีบเบียนในจิตของมนุษย์ได้เนี่ยนะคดีความในศาลนี่ลดลงไปมาเพรา ะ, <จ>ะอะไรไ ม, มีเลยลดลงไปขนาดที่เรียกว่ามีเพื่อนอา r มาเป็นผู้วิพากษาเนี่ยเขาบอกเ้าสิบ้าเปอร์เของคดีความในศาลเนี่ยแค่สีห่ห Ừ, คน ừ, คผิดศีลนะรู้ว่ า, ารู้อย่างหนึ่งพูดอีอย่างหนึ่งทงั้งๆ ท, ที่เหตุของกาบขนะข้าบดีก็ตามหรือคนที่เป็นใครก็ตามเนี่ยเขาพูดโกหกในศาลเนี่ยก็เพราะเพื่อเหตุแห่งอามิ t เพราะกาบไปราบาดเปลี่ยนไม่อันใดกันหนึ่งจ้าค่ะนะบอกสิ่งที่เห็นว่าไม่เห็น ừ, บอกสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้บอกสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้บอกสิ่งที่ไม่เห็นว่าไม่เห็นอย่างเงี้เพราะเหตุแห่งกาบเจ้าค่ะเขามีกาบชุ่มอยู่ในจิตทําให้เขาเนี่ยสร้างปัญหาขึ้นมา แล้วัญหานี่ไมไ่อยู่กับตัวเองนะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย อ, อย่างผู้พิพากษาต้องมานั่งหลังกดหลังแข่งฟังเรื่องอะไรได้สาระ <Okay. S 2> ตัวเองไม่ได้ทำํำท <Okay. S 2> นายความออกตัวเองก็ไม่ได้ทํานั้นไม่ได้ก่อเรื่องนี้ขึ้นมา <Okay. S 2> ก็ต้องมาคอยนั่งทําคดีความทำรูดเรีย ง, งเอกสารทุกคนปวดหัวไปหมดอาคารสถานที่บ้านเรือนออกอย่างสารอย่างเงี้ยใช้งบประมาณมากนะคุณตื่นใจในการที่จะสร้า ง, งอาคาร <Okay. S 2> และฝึกผู้พิพากษานะปบำเหน็จบํานาค่าจ้างระมัดอ่างแต่ทั้งระบบเนี่ยโอ้โหมากไ ม, มาา่มหาศาล เพราะว่าอะไรแก้ปัญหาเรื่องศีลห้าแต่ไปแก้ไปลายเหตุไงถ้าเรามาลงนรนว่าอา้าวเราให้ทุกคนนะอยู่ในศีลห้าทำไงให้จิตของเราเนี่ยออกจากการปฏิบัติเบียบเบียนนะเวลาที่เราจะประหยัดงบประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายตรงนี้มากคือคือเราเอางบประมาณไปทุบในเรื่องเหตุใช่ไหมเหตุของการที่ทํางานให้ใหการปฏิบาตเบียบเบียนของจิตของคนออกไปนะผลที่เกิดขึ้นคือคือีความในสารน้อยลงคุณไม่ต้องมีอาคารใหญ่โตของสารอย่างเงี้ยมากมายจริงจริงแล้วก็ ก็ประมาณในเรื่องของการปัญหาอื่นจะลดลงไปมากตำรวจก็จะลดลงไปมากาเพราะปัญหามันลดลงไปาสารก็ลดลงไ ป, ลลงไปเพไปไราะปัญหาลดไปอายการแก้ไขได้หมดเจ้าค่ะโอ้ยเราถ้าพูดถึงเรื่องของไอ้ปัญหาบ้านเมือง ต, ตอนนี้แบ่งเป็นฝ่ายๆก็จะแก้ไปโดยอัตโน ม, <living S 2> มัติแก<า><ๆ>้ไปโดยปริยายเลยเพราะว่าเราเอากามพยาบาทเบียดเบียนออกจากจิตคนมีกามพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในจิตเนี่ยนะมันจะเป็นเหตุของการที่ไปผิดศีลห ใช่ไหมถ้าเราเอาศีลห้าแยกอย่ายงดีนะโดยทยี่แก้เรื่องการไปบาปเบีเบียนเนี่ยมันก็จะทําให้แก้ที่เหตุนะผลก็จะแก้ไปตามนั้นทีนี้ว่าไอ้เรื่องของการไปบาปเบียดเบียนเนี่ยมันยังอยู่ลึกลงไปอีกลึกลงไปกว่าระดับของศีลไงศีลนี่คือแค่คุมเรื่องกายวาจาใช่ไหมอย่างกฎหมายเราออกมาคุณห้ามฆ่าคนนะก็คุ้มกลุ่มเรื่องของกายคุณห้ามโกหกนะก็คุ้มกุมเรื่องของวาจาใช่ไหมแต่ไอ้เรื่องของใจเนี่ยที่มันโกหกที่มันฆ่ากันเนี่ยเพราะว่าใจมีกาม ใจมีความมุ่งร้ายคือบาเยบาตใจมีความเบียดเบียนคือวิหิงสานะ <Okay. S 1> มี3อย่างเนี่ยทำให้เรามีปัญหากันทีนี้คนที่จะไปแก้ปัญหาเนี่ยหรือคนที่จะมาโน้มน้าวหรือคนที่จะมาชักชวนให้คุณคุณทุกคนมาปรองดองกันทุกคนอย่ามีการบรยาบาทเบียดเบียนสมมติสมมติว่าสักคนใหนคนหนึ่งช <Okay. S 1> ุนเตจใจ <Okay. S 1> เขามีวิสัยทัศนล์ละเขาบอกว่าแทนที่เราจะมาปรองดองกันน ะ, ะปรองดองดีเพราะั้นเราไปแก้ที่เหตุเรื่องการบราบาตเบียดเบียน คนที่จะมาชักชวนคนให้ปราศจากกามนะมีจิตเนี่ยไม่มีความคิดเรื่องที่เอยากได้กามมากสองไม่มีความมุ่งร้ายสามไม่มีความเบียดเบีย er, นะตัวคุณเองต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเจ้ค่ะตัวคุณเองต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณยังมีกามปฏิบัต er ิเบียดเบียนอยู่ในจิตมากนะเปียกชุ่มไปด้วยกามมีความมุ่งร้ายมีความปรารถนาไรกับคนอื่นคุณจะมาชักชวนให้คนอื่นไม่เป็นอย่างเนี้ยมันเป็นฐนานะที่ที่เป็นไปไม่ได้ทำน้ำหนักรถฟ้าค่ะแล้วก็คนที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะ คือคุณจะต้องไม่มีความขัดเคืองในจิตคืออาตมาไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องเป็นพระหันหรืออะไรนะหรือคุณจะเป็นพระสงฆ์อะไรนะเขาแก้ว่าคนธรรมดานะถ้าคุณมีกามน้อยมีความผิดบาสน้อยมีความเบียดเบียนน้อยน้อยขนาที่ว่าคุณไม่ด่าใครไม่ว่าใครน้อยขนาที่ว่าคุณไม่มีความขัดเคืองในจิตก็ใช่ความขัดเคืองในจิตเนี่ยเอาเป็นลําดับขั้นตอนก่อ น, นคุณตื่นใจคือคนที่มีใช้คําว่าอักกุศลสังกปะเขาเรียกว่ามิจฉาสังกปะคนที่มีความดําริที่ผิด ความดำริดที่ผิดคือการไปบาดเบเบียกนะคนที่มีความดำริดที่ผิดเนี่ยคุณจะมีความขัดเคืองในจิตความขัดเคืองในจิตเนี่ยก็จะแปลเป็นเรื่องของการปิดสินแปลเป็นเรื่องของคนรอบข้างเรือดร้อนแปลเป็นเรื่องของประเทศชาติที่มีปัญหาตอนนี้ทีนี้คนที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้คุณต้องมีมีวิฉาสังกป่าตรงนี้ต้องมีความดำริดที่ชอบใช่ไหมอย่ามีความดำริดผิดทีนี้คุณจะไม่มีความดำริดผิดจะไม่มีความดำริดที่เป็นวิชาเนี่ยคุณจะต้องอย่ามีความขัดเคือง เพราะั้ถ้าเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ยเราเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองก็ด่ากันเราว่ากันเขาทํำผิดทําอะไรไม่ถูกเนี่ยคุณขัดเคืองในจิตไหมถ้าคุณขัดเคืองในจิตคุณเอาออกได้ไหมถ้าคุณเอาออกไม่ได้คุณแก้ปัญหานี้ไม่ได้คุณ <okay. S 2> จะมาเป็นผู้ที่จะสมัครสมาชิกเมื่อกี้คนในชาติไม่ได้ถ้าคุณคนขวายทําคุณก็จะแบ่งเป็นพวกที่สามเราก็จะขัดแย้งปปกับพวกอีกสองพวกหนึ่งมีกลุ่มนึ่งคนขวายทําอีกคุณก็จะแบ่งเป็นพวกที่สี่แล้วก็สี่กลุ่มที่ก็ขัดแย้งอีกมีอีกกลุ่มหนึ่งมาขอ ยังมีความขัดเคือนในจิตนะคงจะเป็นกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หกที่ขัดแย้งกับทุกๆ ก, ก, กลุ่มค่ะ <uk> มันจะเป็นอย่างนั้นก็คือเราต้องแก้ที่รากเงาที่ตัวของเขาเองก่อนถูกต้องของผู้ที่ต้องการจะแก้ปัญหาเจ้ค่ะคือไม่ใช่ว่าเราหาคนจะมาคนทำคนตื่นใจเราต้องหาคนที่สามารถทําได้นะคนที่สามารถทําได้ไม่ใช่ว่าคุณต้องอยู่ในตําแหน่งนี้นะแต่คุณจะต้องมีจิตอย่างนี้จิตอย่างนี้คือจิตที่ไม่มีความขัดเคลื่อนในจิตความขัดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆรอบข้างเนี่ยไม่สาาาามรถทํให้้เเขขัดดคือไ ก็้าใจไหมคหมือหมายก็ว่าเราเห็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเนี่ย <Okay. S 2> เอาดูซิในจิตของเราหลับตาดูว่ามีความขัดเคลืองเกิดขึ้นในจิตของเราไหมถ้ามีความขัดเคลืองเกิดขึ้นในจิตของเราแหมเราไม่ใช่พ้าอรหันนะมันต้องมีความขัดเคลืองบ้าง <Okay. S 2> บางทีใช่ไหมอ้าวไม่เป็นไรขัดเคลืองแล้วเอาออกได้ไหมถ้าเราละความขัดเคือกที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้นะเรามีความคิดว่าเออถ้าเราตือนเขานะาเราบอกเขานะถึงแม้เขาจะมีความขัดเกลือกขึ้นในจิตของเขาบ้าง แต่เพราะว่าหวังความาการุณาต่อเขาเพื่อที่ว่าให้สังคมอยู่เป็นสุขเราจะละความขัดเคืองในจิตของเราแล้วบอกเขาเราเราจะสบายใจอยู่เข้าใจนะทีนี้ว่าจะละความขัดเคืองในจิตได้ทํำยังไงเจ้ค่ะอันนี้เป <นะ S 1> ็นจุดสำคัญอ่าคือคอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับผู้เชา่าเคยเปรียบกับคนที่มีตาอยู่เงี้ยมองเห็นอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เอ้สิ่งนี้ไม่ดีมองไปทางอื่นแค่ น, น ค, คือสิ่งนี้ไม่ดีเราก็ไม่ต้องคิดมัน อืมเจ้าค่ะอ่าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็ไม่ต้องกิดมันนะอันนี้วิธีที่หนึ่งยังมีวิธีต่อไปอีกในปรุชาเปรียบเทียบกับพวกช่างไม้เขาใช้ลิ่มสลักอันเล็กเนี่ย ส, สลักแล้วก็แกะลิมสลักอันใหญ่ออกได้เจ้าค่ะมันจะมีมุมของช่างไม้นะเขาจะทําไม้เป็นลิ่มตอกปึ๊บไม้อันใหญ่หลุดออกไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เหมือนกันที่เราพอคิดมีความกัดกื่งขึ้นในจิตของเราปุ๊บเอ้เราหานิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสักอย่างหนึ่ง นำมาทําให้ความขัดเคลือนนี้ออกไปแล้วบางคนใช้วิธีการสวดมนต์บางคนใช้วิธีนึกถึงพระพาาุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยทำให้เรื่องที่ไม่ดีในจิตเรื่องความขัดเคือนในจิตของเราออกไปจุกค่ ะ, ะหรือว่าวิธีถัดมาก็คือคุณเห็นโทษนั่นคือเหมือนกับใช้หนุ่มหญิงสาวอน ะ, ะที่เขาชอบแต่งตัวหน้าตานินเนียนเนี่ยถ้าเกิดมีสิวขึ้นปุ๊บโอ้หเขารีบปีบบอกอืมเจุกค่ะเหมือนกันเรามาเห็นว่าโอ้ยจิตของเรามีความขัดเคืองมมัันช่วากเลยเอาออก ต้องที่กำจัดออกไปต้กำจัดออกไปทันทีวิธีที่4ี่ที่ผู้เช่าเปรียบเทียบก็คือว่าเหมือนกับคนเห็นรูปภัณฑ์สันผ่นานของความชั่วนั้นเช่นว่าเราเห็นว่า้ความชั่วนี้ไม่ดีเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันมองมุมบวกอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้จะวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ความเกิดขึ้นเกิดขึ้นในเจของเราโอ้ถ้าเราละได้เราจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมาและเธอลาให้ได้อันนี้คือมองอีกมุมหนึ่งเห็นโทษให้เป็นประโยชน์อย่างนี้นะ แล้วก็อันถัดมาก็คือว่าผู้เช่าเปรียบเทียบกับบุคคลที่เขาเดินเดินอยู่เดินเดินอยู่เนี่ยก็เฮ้เราจะเดินทําไมเรายืนดีกว่ายืนอยู่ก็เอ้าเราจะยืนทําไมเรานั่งดีกว่า<ช>นั่งอยู่ก็เฮ้เราจะนั่งทำไเรานอนดีกว่าก็าคือเปลี่ยนจากอริบที่หยาบๆเนี่ยให้เป็นอริบที่ละเอียดละเอียดเ<ช>อ้าเรามีความคิดชั่วๆทําไมเราละดีกว่าลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันเจ้าค<ช>่นะ มีอยสี่ห้าอย่างนี้ถ้าเราทําวิธีสี่ห้าอย่างนี้แล้วเราละความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้คุณมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาระดับชาตินี้ได้เจ้ค่ ะ, ะแต่เราต้องทําอย่างนี้ได้จริงๆริแล้วก็เราต้องสรรหาคือคนที่ ส, สามารถมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วก็มุ่งตั้งใจจริงที่จะที่จะขจัดความขัดแย้งทั้งหลายแหล่ไปจากประเทศชาติก็จะทําได้แนะเจ้า ค, ค่ะค ความคำที่คุณตื่นใจบอกว่ามีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆที่จะแก้ปัญหาเนี่น ะ, ะมันอาจอาจจะไม่ต้องเป็นงั้นก็สมมุติว่าคนที่เขามีความมุ่ง ม, ม, มั่มนตั้งใจแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยแต่เขายังมีความขัดเคืองอยู่ขเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้ออืแต่คนที่ไม่มีความขัดเคืองใช่ไหมเขาจะมุ่งมั่นหรือไม่มุ่งมั่นก็ตามแต่เขาจะทํางานนี้ได้คือหมายว่าสมมุติถ้าเขาทํางานไปแล้วเกิดปัญหาว่าทําไมคนนี้มันพูดยากเหลือเกินว่าบอกให้ทาอย่างนี้มันก็ไม่ทํามีความเห็นไม่เฉย แล้วเขาจะคลายความที่มุ่งมั่นในการที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมเขาจะตรงนั้นเป็นความขัดเคืองในจริงของเขาเขาจะละที่โดนอัดออกมาอยู่แล้วเจ้าค่ะคือเขาเขาจะไม่เห็นว่าไอ้นี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาขัดเคืองใจเจ้าค่ะต่อให้เขาจะไม่ได้มีความปรารถนาอย่างนั้นก็ตามนะเพราะว่าถ้าสมมติคนเอ้ยฉันไม่อยากทํางานนี้ละนั่นคือความขัดเคืองในจริงของเขาทันทีเขาจะละได้ไงเจ้าค่ะอย่างนี้นะนี่คือกรณีที่ว่าเจ้าค่ะทีนี้ถ้าผัวว่าละไม่ได้จะเป็นไง ละไม่ได้คุณทํางานนี้ไม่ได้คือ <Okay. S 1> คือคุณทํางานนี้ไม่ได้แค่นั้นเองครูชาบอกว่าถ้าคุณละไม่ได้นะคุณกลับไปเริ่มต้นใหม่คุณต้องละให้ได้ก่อนคือเคยพูดถึงยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างพิกสุดแตกกันพ <Okay. S 1> ี่สุาหรือว่าคนมีความเห็นไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่การเสร็จปุบ๊บทํายังไงครูชาบอกว่าก็ต้องมีคนหนึ่งนะที่เห็นตรงนี้โอ๊ยแต่กันไม่ดีฮงไม่ดีแล้วทําไงถ้าเรามีความขัดเกือกเราล ะ, ละก่อน เราละความขัดเคืองนี้ไปก่อนขัดเครืองเสร็จแล้วทําไงต่อละความขัดเคืองนะยังมีขั้นตอนต่อไปอีกคุณตือนใจจุ๊บค่ะละความขัดเคืองแล้วขั้นตอนต่อไปถ้าคุณละได้นะถ้าละไม่ได้นี่คือจบไปแล้วนะคือคุณทำไม่ได้ถ้าคุณละได้ขั้นตอนต่อไปคือหนึ่งคุณเข้าไปดูสิว่าในสองกลุ่มเนี้กลุ่มไหนนะมีคือกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้มีคนเดียวถูกไหมจุ๊ค่ะคนไหนในกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พูดง่ายที่สุดเข้าไปพูยกับเขาบอกว่านี่เธอการทะเลาะ ไม่ได้เป็นคําสัองของพระเจ้าเลยนะพระเจ้าไม่ได้แนะนําให้ทะเลาะกันว่ากันทะเลาะกันว่ากันเราจะมีปัญหาเอาอย่างนี้แล้วกันเรามาอย่ายทะเลาะกับใครให้มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกับตัวเราจ้าค่ะที่ไม่มีความขัดเคืองเราคลายความขัดเคืองซะนะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ขัดเคืองกับใครคือไม่ได้เป็นกลุ่มเลยนะจ้าค่ะคือถ้าถ้าเราไปดึงกลุ่มสมาชิกของกลุ่มอดดื่นมาเป็นกลุ่มเราแล้วกลุ่มเรามีความขัดเคืองคุณก็เป็นกลุ่มที่สาวที่ไปขัดเคืองอักลุมเลยจ้าค่ะแต่นี่คือเรียกว่า สลายพลังของแต่ละกลุ่มลงสลายพลังของแต่ละกลุ่มลงนะพอไปหาคนนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเรียบร้อยละถ้าจะบอกว่าให้มาเป็นพวกเราเราอาจจะใช้คําไม่ถูกเพราะว่านั่นจะเป็นมาเป็นพวกเราก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเจ้าค่ะแต่สลายกําลังของกลุ่มนี้เสร็จแล้วไปหาคนต่อไปแตนะคนที่สองของกลุ่มไหนก็ได้ที่เราจะพูดง่ายที่สุดคือไม่ได้ไปหาหัวหน้านะ เข้าใจไหมไปหาคนที่จะพูดง่ายที่สุดในสมาชิกในกลุ่มแล้วไปบอกเขาในลักษณะที่ว่าเออทะเลาะกันไม่ดีนะไม่ใช่คำสองพุทธชา ata, ทะเลยยเาะกันแล้วเราจะเดือดร้อนนะะเรามาอย่าทะเลาะกับใครแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะเข้าใจไหม <c oughs> ให้เขามีความเห็นว่าเราไม่ควรจะขัดใคงกับใครต่อไปหาคนที่สามต่อไปหาคนที่สี่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เพื่อที่จะลดกาลังแต่ละฝ่ายลงแล้วก็ไม่ได้สร้างกําลังของเรานะเพราะเราจะไม่ขัดยงกับใครเราจะสบายใจอยู่ คือเพิ่มจำนวนของคนที่สามารถละวางได้หให้มากขึน้นมากขึน้นเรื่อยๆนะเจ้าคะอันนี้ก็จะทำให้แบบแผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆทีนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องมาบวชคุณต้องไปปฏิบัติธรรมหรือว่าคุณจะต้องเป็นพระอราหันมาทำงานนี้นะเราเอาแค่ว่าความขัดเคืองในจิตเนี่ยเอาแค่ว่ามันไม่ผิดศีลคือคือว่าจิตไม่มีการไม่มีปบไม่มีเบียดเบียนเนีนะ่ย ถ้าแบบเอาแบบไม่มีญาณเรียบไปเลยนี่เป็นบาปฐันเลยนะแต่เอาแค่ระดับที่ไม่มีขนาดที่ว่าถ้ามีแล้วจะทําให้เราผิดศีลอย่างเงี้ยเราเอาให้ระดับนั้นก็พอค่ะไม่ต้องเอาถึงขนาดแบบเช็ดให้มันละเอียดเรียบร้อยเพื่อนๆอย่างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปเพื่อนในบริเวณที่มันเป็นศีลผิดศีลด่ากันฆ่ากันว่าการผิดผิดในการพวกนี้เราไม่ให้มีแต่ถ้าเรามีดูเห็นแนวโน้มตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้เจค่ะคือคือมันเหมือนกับว่า มันควรจะต้องมีผู้นําสักคนหนึ่งนะที่มีคุณสมบัตินี้ที่มีความที่แหมทุกคนอยากจะตามหมดทุกคนเห็นคนนี้แล้วก็โอ้สบายใจนะเขาเข้ามาปุ๊บก็พูดกับคนนี้อย่างนี้พูดคนนี้อย่างนี้ทุกคนก็เห็นด้วยะเราไม่ทะเลาะกันกับเรากันแต่ถ้ามีผู้นำในลักษณะนีน้จะแก้ปัญหาไดนะ้ถ้าเผื่อว่าไม่มีเราก็ไม่ใช่มันว่าต้องไปสรรหาหรือว่าอะไรนะคือใครก็ได้อนะนะ อ, ยอย่างวิกฤตการณ์ในประเทศไทยหลายๆคร้านที่ผ่านมาคุณเตืนใจ ก็ไม่รู้คนนี้โผมมาจากไหนเหมือนกันก็เออก็มาแก้สถานการณ์ได้เหมือนกันนะ อ, อยู่ๆก็คนนี้ก็ขึ้นมาเป็นนายกหรือว่ามาเป็นผู้ที่อยู่ในกรรมาการอะไรอย่างเงี้ย น, นะก็มีหลายๆครั้งเหมือนกันซึ่งก็อาตมาก็คิดว่าตัวเราก่อนตัวเราเราทําก่อนเราอยากให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในชีวิตของเรารถ้าผมว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยแล้วก็คิดว่าโอ้ฉันเบื่อเรื่องนี้แล้วก็มันปัญหาเยอะเหลือเกินนะนั่นคือคุณมีความขัดเคืองหรือเปล่า ถ้าคุณมีความกัดเคืองนะคุณเป็นส่วนหนึ่งในสักกลุ่มในกลุ่มหนึ่งในห้าหกสิบกลุ่มพวกนี้เจ้าค่ะเอางี้ผู้บัญชาบอกว่าความกัดเคืองไม่ดีเอาฉละความกัดเคืองในยจิตกแล้วกันคุณจะสบายใจเหมือนอย่างที่อาตมาสบายใจอยู่นี่เจ้าค่ะขอบคเจ้าค่ะก็ยมคิดว่าอในวันนี้เราคุยกันในเอสาระที่ยมคิดว่ามีท่านฟังทางบ้านหลายท่านคงจะสนใจแล้วก็ถูกใจอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแนวโน้มของ ความคิดของพี่น้องเราส่วนใหญ่นะเจ้าคะ่ะก็อยากจะให้ประเทศชาติปลองดอง อ, อยากให้คนไทยเราเนี่ยย้อนกลับไปเป็นเหมือนสมัยก่อนนู้นที่มีแต่ความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อต่อกันจนกระทั่งเราได้ชื่อว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนมีน้ำใจว่าอย่างนั้นเถอดนะเจ้าคะ่ะ ใ, ใครมาถึงเรือนชาญก็ต้อนรับกันอย่างดีความเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ อ, อันนี้ยงคิดว่าเป็นสิ่งที่เรากําลังเรียกร้องอยู่ ก็คิดว่าเวลาที่เหลือในรายการไม่ถึง3นาทีนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อาจจะสรุป เฉพาะวันนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะสนทนากันต่อเจ้าค่ะโยมก็จะถามในประเด็นที่ว่าอย่างพระอาจารย์บอกว่าะจะหาใครสักคนหนึ่งที่จะต้องเป็นคนที่สามารถละได้แล้วก็มาเป็นผู้นําแต่ที น, นี้มองย้อนไปในด้านของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ฟังรายการเราอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นผู้นําแบบนั้นและไอเราที่เป็นชาวบ้านตาดำๆเนี่ยที่อยู่ในระหว่างความขัดแยง้งแล้วเราก็จะต้องทุกข์ทรมานทั้งน้ําท่วมบ้างนาล่มหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ จะทำจิตยังไงดีแล้วจะทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นเจนะ้าค่ะนี่ ม, ม, ม, ม, มุ่งจะถ้าจะสรุปในช่วงวันนี้ก่อนเจ้าคนะ่ะเราจะต้องเอาความขัดเคืองในจิตของเราเออกไปให้ได้เจ้าคนะ่ะด้วยพิธีการห้ากระบวนการที่ผ่านมาก็คือว่าเอาเอาปลี่ยนเรื่องยาวให้เป็นละเอียดซะเห็นว่าอันนี้ไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปแค่นี้จะทำใจให้เป็น ก, ากลางๆเราจะสบายใช้ได้อย่างนี้นั้นเราก็แต่พรุ่งนี้ก็จะพูดต่อถึงเรื่องว่าเอ๊ะแต่ละคนแต่ละท่านจะทํายังไงเจ้าค่ะ ว่าจะทำจิตยังไงดีจะไดะ้เป็นสุขขึ้นมาบ้างนะเจ้าคะแล้วก็อาจจะทำให้เป็นจุดประกายว่าสังคมแห่งความสงบสุขนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวของท่านเองแล้วก็คนรอบๆคล่างมันก็ขยายต่อไปให้ได้ดียิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะ่ะใช่ใชเจ้าคะ่ะค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค้าหน้าเสียดายที่เวลาในรายการธรรมารับรุณก็หมดลงแล้วค่ะเราจะกลับมาสนทนาหรือซาติขาธรรมะดีๆนี้กับท่านพระอาจารย์ยพบุญอภิบุนโนท่านผู้อำการหลักสูตร เรกเลนการปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหายโศกนะคะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดที่โตภโซท่านจะ อ, อาวาดวัดป่าดอนไหายโศกในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเวลาตีห้าเมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีมานะคะสําหรับเช้าวันนี้เรากลับน้ำมศการขอบพระคุณและกลับน้ำมศการลาพระอาจารย์ไพภูนเอกิปุโนพระอาจารย์ของเราเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกรับน้ำมการลาเจ้าค่ะยินดีปานครับ ขอบคุณเจ้าค่ะ